ส่วนสมถะที่ตรงกันข้ามกับตันหาใช่ไหมตันหาเนี่ยละได้ด้วยสมถะสมถะมีลักษณะทําลายอุทธจักที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านอันสมถะนี่ข่มข่มความฟาุ้งซ่านเนี่ยนะอสุภารมณ์หรืออสุภานุปัสสนาเป็นเหตุใกล้เป็นปทัทถฐานของสมถะนะสมถะนั้นสงบความฟาุ้งซ่าน อสุภาสัญญาหรืออสุภารมอสุภานุปัสสนาเนี่ยพวกนี้เป็นเหตุใกล้ของส ม, มถานั้นตันหาที่เพลิดเพลินในปิยรูปสาตรูปนะเพลิดเพลินจริงหน้าชื่นชมจริงแต่เดือดร้อนถามว่าคนที่เจริญกรรมาฐานกับคนที่เที่ยวชื่นชมด้วยอำนาจโลภะนะใครสงบกว่ากันทั้งผู้มีความสุขเหมือนกันนะส ม, มะถก็มีความสุข ตัณหาก็มีความสุขถามว่าสุขสองประการต่างกันตรงไหนต่างว่าสุขในตัณหามีอุท ธ, ธะสุขในสมาธิเป็นมีเอกคตาเนี่ยมีกำลังนั้นจึงมีความแตกต่างกันที่จะคิดให้มันตรงกันข้ามก็คือคิดให้เป็นอสุภะถามว่าการคิดให้เป็นอสุภะนี่หลอกตัวเองหรือเปล่า หลอกตัวเองไหมสมมุติว่าเราเห็นอะไรสวยมากเลยนะแล้วเราคิดนี่มันอสุภาษนะอสุภาษนะอสุภาษณ์นะหลอกตัวเองหรือว่ามันจริงๆแล้วมันอสุภาษหรือเราหาอุบายหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งข่มมันไม่ข่มมันไม่อสุภาษนณะ์นอสุภาษนณะ์นเหมือนกับหลอกตัวเองจริงๆแล้วก็มันอสุภาษจริงๆอิงนนะถ้าก็ามีนักเลงเจ้าชูอยู่คนหนึ่งนะเขาเขาเป็นคนที่จีบผู้หญิงมาเยอะละ วันหนึ่งก็ไปเห็นพระเถรีอยู่รูปหนึ่งสวยมากเลยเป็นพระอรหันต์นก็เดินบินทบาทก็เห็นแล้วก็ตามตามเลยก็ชมอ่ะนะชมในความสวยของพระเถรี้าผู้หญิงเนี่ยก็ชมไปสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้สึกเธอพี่นี่รวยมีเงินเยอะเป็นลูกช่างทองเนี่ยจะให้เป็นเมียคนโตเลยคน อ, อินเดียมมีเมียได้หลายคนเลยนะจะตั้งให้เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านยังงั้นยังเงี้ยนะจะยกสมบัติให้หมดเลยอะไรหมดเลย นางก็โอ้มันไม่ดีมันอสุภาพ อ, อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยก็ตามไปถึงที่หนึ่งก็บอกเาถามยิ่งๆเขชอบอะไรเขาบากงั้นชมแบบบอกโอ้ตาเนี่ยสวยมากเอาเหรอเอาควักให้เลยเอาไหมเอสักคู่หนึ่งไหมนะีควักตาให้จริงๆเลยเนะ่ยอ ยอมควักตาให้เลยนะโอ้ขอโทษพระเทรีใหญ่เลยนะตั้งอันนี้บอกจะเลิกเจ้าชูแล้วละ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันตอนหลังก็นางก็ได้ตาคืนชื่อว่าสุภาเทรีเนี่ยนะพระสุภาเทรีในเทรีคาถานี่ยมีนะตามจีบจนควักตาให้เลยนะถึงก็ควักตาให้ก็เลิกสวยแล้วนะตาบอดไปข้างหนึ่งก็หมดไปครึ่งนึงแล้วฟันอสุภารมเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของสมถะส่วนอะโลภะ นี่ก็คือกูศลมูลใช่ไหอโลพามีลักษณะกําจัดความอยากได้เจตนาที่เป็นเหตุงดเว้นจากอะทินนาทานเป็นปัจจุฐานของอะโลพาอันค่าใครสมะสมาทานศีลอะทินนาทานาเจเวรมณีบ่อยๆนะถึงจะเห็นของสวยยังไงก็ไม่คิดจะไม่คิดน้อมมาเป็นของตนนะถ้าเราสมาทานศีลข้อ น, นี้ไว้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะ มันจะไม่คิดเอาเอาของคนอื่นมาโดยทุจริตทำมาเป็นของตนอะไรเลยอันนี้คือผลของการสมทานศีลมันกำจัดอะไรกำจัดโลภะได้อะไรเนะ่ยตัวอนาณพิชชาเนี่ยนะก็คือไม่คิดน้อมมาเป็นของตนใช่ไหมโดยทั่วๆไปก็แบ่งออกเป็นพวกน้อมไปเพื่อจะสละอย่างหนึ่ง กับน้อมโดยความเป็นอสุภะในยอย่างหนึ่ง น, นะพวกสมถะทุกชนิดท่านถือว่าเป็นอนัพิชาหมดสมถะเนี่ยนะเป็นอนัพิชาที่เป็นสายอาสุภะหรือสายกสินพวกนั้นเป็นอนัพิชาอัพยาบาทก็คือพรหมิหารหทัมทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอาโลภาเนี่ยกำจัดความอยากได้เป็นลักษณะ เจตนาที่เป็นเหตุงดเว้นจากอัินาธานเป็นเหตุใกล้ของอโลพะเพราะฉะนั้นถ้าใครน้อมไปเพื่อให้อโลภะเกิดในะสมาทานศีนี้ข้อนี้เอาไว้บ่อยๆสมาทานศีนข้ออทินนาธานเจตนาเอาไว้บ่อยๆมากๆอโลพะก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีกําลังขึ้นอโทสะมีการลักษณะไม่เบียดเบียนเจตนาที่เป็นเหตุงดเว้นจากปานาติบาตเป็นประทัดฐานของอโทสะนั้น เพราะอาโทสะสนี่ใช่ถ้ายุงกัดเนี่ยถ้าสมาทานศีลไว้ก่อนแล้วนะก็จะไม่คิดแม้กระทั่งฆ่ามนก็ไม่คิดไม่คิดเบียดเบียนเบียดเบียนยุงอย่างมากก็เป่าไปอะไรไปเนี่ยนะมันเจตนาที่งดเว้นจากปานาติบาสนี่มีคุณต่ออโทสะมากเนี่ยนะอโมหะมีลักษณะการแทงตลอดสภาพของอารมณ์นะน แทงตลอดสภาวะของอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นมีสภาวะอย่างไรถ้าสภาวะก็คือลักษณะรักษะประจุประธานและประทับฐานแปลว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันนั้นเป็นลักษณะของอโมหะสัมมาปฏิบัติเป็นประทับฐานคือเหตุใกล้ของอะโมหะนั้นสัมมาปฏิบัติก็คือศีลสมาธินิพพิธายาน อณาพิรติสัญญาพวกนี้อยู่ในสัมมาปฏิบัติหมดเลยเพราะะฉนั้นกุโซลศีลสมาธิพวกนิพพิทาญานอณภิรติญาณที่ไม่ยินดีไม่ติดข้องไม่เพลิดเพลินนะนะพวกนี้เป็นเหตุใกล้ของเป็นเหตุใกล้ของอาโมหะอณาพิรติสัญญาก็คือพิรติพิรดีพิรติเนี่ยแปลว่ายินดียินดีอย่างยิ่งเลยนะอณะก็ปฏิเสธว่าไม่ยินดีนั้น ความไม่ยินดีในทุกขสัตว์นั่นนะเอ่อถ้าว่าโดยสรุปนะพวกนี้เป็นกุศลมูลคืออโลพะอโทสะและอโมหะสิ่งที่เป็นเหตุใกล้ต่ออโลภาอโทสะอโมหะก็คือเจตนาที่เว้นจากอธินาทานเจตนาที่เป็นเหตุงดเว้นจากปานาติบาตสัมมาปฏิบัติข้อปฏิบัติสประการนี้เป็นเหตุใกล้ของอโลพาอโทสะและอโมหะเนี่ยนะัมันก็ ถ้าเรารู้เหตุใกล้ของอโลภาอโทสะโมหะและเจริญไม่ยากใช่ไหมสมาทานศีลบ่อยๆนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมสมาทานศีลข้ออัตินาทานเจตนาเอาไว้มากๆอะโลพามีกำลังโลพะก็ลดลงถ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากปานาติบาตเอาไว้มากๆอโทสะมีกำลังสมมตินะถ้าถ้าเราลองฝึกคิดตรึกแบบนี้บ่อยๆนะว่า สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์นะเขาก็รักชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราให้ชีวิตเขาเป็นฐานเราปรารถนาให้เขามีความสุขถามว่าถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจะได้เมตตาชานไหมน้อมไปคิดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจะได้เมตตาชานไหมได้เพราะฉะนั้นเราปรารบเลยนะปรารบเนี่ยชีวิตตินซีทั้งหลายข้าพเจ้าจักไม่ ไม่ฆ่าทุกชีวิตตินซีนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ร่วมเราคิดถึง10คนศีลเราก็มี10มณสิกาสิบอาวัชนะใช่ไหมปลารบชีวิตตินซีไหนเราก็จะไม่ฆ่าเขานะเนี่ยนะเราจะไม่ฆ่าเขาปารบถือกับสิบคนเราก็ได้ศีลสิถ้าปลารบกับพันคนเราก็ได้ศีลตั้งพันหนึ่งเลเพราะฉะนั้นปลานติบาทศีลข้อนี้นะขยายเจริญให้งอกเงยได้ทีนี้เมื่อเราให้อภัยให้ชีวิตเป็นทานอย่างนี้นะเราก็ให้ความไม่มีเวรไม่มีไม่เบียดเบียน นะให้ไม่มีความทุกข์ให้เขามีความสุขคิดอย่างนี้บ่อยๆๆก็ต่อด้วยเมตตาพรหมวิหารก็สามารถเป็นเป็นฌานได้ถ้าไม่เลิกซะก่อนเนี่ยถ้าเจริญในที่สุดก็สามารถเป็นฌานได้ดงนั้นกุศลศีลเนี่ยนำมาซึ่งอโลภาอโทสะ อ, โ, อโมหะทีนี้เรียนถามพระคุณเจ้าสมาปฏิบัติที่เป็นประทัาฐานของอโมหะนั้นกวา้างแค่ไหนครับ ในอัตถกถาบอกว่าศีลสมาธินิพพิทายานอนภิรติยานทั้งศีลสมาธินิพพิธานิพพิธาก็วิปัสสนาเนี่ยแหละพอนิพพิธามันคลุมมานิจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนาเอาไว้แล้วถ้าเป็นมิจฉาปฏิบัติที่เป็นเหตุใกล้ของโมหะก็ตรงกันข้ามกับศีลสมาธิวิปัสสนาเนี่ยนะตรงกันข้ามก็คือพวกมิจฉามักนั่นเองพวกมิจฉามักนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของโมหะ ทีนี้มาดูสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิปลาสคือความไม่วิปลาสความไม่วิปลาสนั้นก็คืออสุภาษสัญญาอาสุภาษสัญญานั้นมีลักษณะการถือเอาวินีล ก, กะวิปุภะกะอสุภวินีล ก, กะนี้เป็นยังไงซากศพที่ขึ้นเขียวเลยเนะียเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำเขียวอืดด้วยพองด้วยเขียวด้วยคล้ำไปหมดเลยนะแถวไหนก่อนเบ้าตาก่อนเนะีย แต่แถวที่มันตรงไหนมีเนื้อเยอะๆนะแถวแถวนั้นจะค่อนข้างเขียวหรือตรงไหนที่เนื้อน้อยๆนะก็เขียวพวกวินีละกะวิปุพ ะ, ะกะก็ภูพวกอะไรหมูน้อนใช่ไหมหมูน้อนชัยเต็มไปหมดเลยก็วินีละกาวิปุพะกะอสุภะพวกนี้เป็นเหตุใกล้ของอสุภะสัญญาแต่ก็ใช่จริงๆนะจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเอาหัวกระโหลกหมูไปทิ้งไปที่ใต้ที่ชุมพร เราก็เหลือบไปก็ไปดูนะในมันสมองของของกระโหลกหมูเนี่ยนะนอนมันยั่วเยี่ยบไปหมดเลยนะโอ้ได้อาสุพะอยู่ตั้งหลายวันนี่นะนั่นก็นั่นเหมือนกับมีนอนเนี่ยคลาคล่ําอยู่ข้างในกะโหลกะนะเพราะมันมันหัวมันขาดไปแล้วนะมันมีเฉพาะไอ้กะโหลกหมูอะ่ะมีนอนเต็มไปหมดเลยนะก็ได้อสุพะอยู่หลายวันเหมือนกันหรือพวกนีรากะขึ้นอืดขึ้นพองแล้วก็ลอกลอกผิวซะหน่อยเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนั้นก็โอ้ดูครั้งเดียวนี่ก็จําอยู่ได้นานใช่ไหม ราคานี้เหี่ยวไปหลายวันเลยแหละเพราะฉะนั้นอสุภาษสัญญาเนี่ยก็มีการถือเอาลักษณะแบบนี้บ่อยๆบยๆนิพพิธาคือปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะความเบื่อหน่ายเป็นเหตุใกล้ของอสุภาษสัญญาเนะนี่ย น, นะก็เพราะว่าเออมันน่าเบื่อหน่ายนะั่นแหละจึงใส่ใจโดยความเป็นอสุภาจริงๆนะักรรมฐานตัวนี้นเหมาะกับราคาเจริญนะแต่ว่าราคาเจริญไม่ค่อยชอบเจริญไม่มีความสุขกันไหม ถ้าโทสะเจริญนะนึกอสุภะเนี่ยนึกง่ายมากนึกเมื่อไหร่ก็เป็นถ้าโทสะเจริญอยู่แล้วนะมันคิดหาความเลวคิดมันก็ยากถ้าราคะเจริญนะคิดในแง่ดีคิดยังไงก็มองเห็นหมดเลยคิดจนติดแนบหมดอะ่ะ ท, ท่านก็พระองค์ก็เลยสอนให้ว่าเออถ้าโทสะนะเจริญเมตตา ม, มองแง่ดีถ้าราคะเจริญมองในแง่ไม่ดี น, นีฝืนกิเลสค่อนข้างมากต่อไปว่า ทุกขสัญญามีลักษณะการกำหนดรู้ภาษาอันเป็นอารมณ์ของอาสวะภาษาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะคือโลกิยาภาษาแปดสิบเอ็นี่ยจแบบองค์ธรรมแบบนี้ง่ายๆก็ดีภาษาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะคือโลกิยาภาษะ81ดสิบเอ็ดเนี่ยนะทั้นตัวทุกขสัญญาเนี่ยกำหนดรู้ว่าภาษะทุกภาษะเป็นที่ตั้งแห่งทุกพระองค์เปรียบอุปมาภาษาว่าเหมือนอะไรนะ แม่โคหนังปอกแม่ถ้าปอกมะม่วงนี่เราจะคิดออกไหมพวกถ้าหนังโคถูกปอกจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าแม่โคหนังปอกนี่ไปรับกระทบอะไรก็เจ็บไปหมดเลยภาษะในทวารทั้งหหรือในโลกีญาจิตทั้งหมดนี่ท่านถือว่าเป็นเป็นเหมือนแม่โคหนังปอกหมดเลยถ้ามีความคิดแบบนี้บ่อยๆก็จะทราบซึ้งว่าเวทนาเป็นประทัฐานของ ทุกขสัญญานั้นเอเวทนาเนี่ยสุขเวทนาก็มีไม่ใช่หรือทําไมจึงเป็นประฐานของทุกขสัญญาบอกว่าเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกเห็นทุกขเวทนาเหมือนกับลูกศรเห็นอุทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งสุขเวทนาเป็นทุกเพราะเป็นวิปริณามทุกทุกขเวทนาเป็น ทุกขทกอุเบขาเวทนาเป็นสังขารทุกเพราะฉะนั้นถ้ารู้เวทนานะว่าทุกขเวทนาเป็นทุกขทุกสุขเวทนาเป็นวิปรินามะทุกอุเบขาเวทนาเป็นสังขารทุกถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยทุกขสัญญาจักเจริญทุกขสัญญาจักเจริญว่าเห็นชัดในลักษณะของภาษะที่เป็นภาษะเป็นอะไร ภาษาปกติเป็นเหตุใกล้ของเวทนาใช่ไหมผู้ที่กำหนดรู้ลักษณะของเวทนามากๆนี่ก็จะเกิดทุกขสัญญาเนี่ยนะก็จะรอบรู้ในเวทนาผัสถ้าใครที่เจริญเวทนานุปัสนามากๆก็จะได้ทุกขสัญญาแม้กระทั่งฌานทั้งหลายก็ยังเห็นฌานว่าเป็นทุก น, นะเช่นสุขเวทนาที่เกิดในฌานก็เห็นว่าเป็นทุกเพราะไม่เที่ยง อุเบคาเวทนาแม้กระทั่งในอรูปฌานก็เห็นว่าเป็นสังขารทุกข์เพราะไม่เที่ยงก็สุขความสุขเนี่ยนะถ้าหมดไปเป็นยังไงถ้ามันแปรปรวนไปแล้วอันน้นก็เป็นโทมานัสแทนใช่ไหมเพราะนั้นก็เห็นเวทนาทุกเวทนาว่าเป็นทุกเนี่ย น, นะส่วนอนิจสญญนจสัญญาอนิจจสัญญามีลักษณะการเห็นธรรมะทั้งหลายอันมีสังคตะลักษณะ สังขารลักษณะคืออะไรลักษณะที่มีความเกิดเป็นเบื้องต้นนะตั้งอยู่ก็เป็นชราแตกทำลายไปก็เป็นมรณะนั้นธรรมชาติของสังขารลักษณะเป็นอย่างนั้นมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทำลายเป็นที่สุดมันผู้ที่มีอนิจจสัญญาก็จะเห็นในลักษณะนี้เห็นเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็ตายเป็นที่สุดอย่างนี้เนี่ยนะ ความเกิดดับของสังคตะธรรมทั้งหลายเป็นประทัดฐานของอนิจจสัญญานั้นเนี่ยนะความเกิดความดับเนะเกิดดับอันนี้ก็คื อ, อนิพพัติลักษณะกับวิปริณามลักษณะเนี่ยชัดเนี่ยนะนิพพัติลักษณะก็คือการการอะไรตาเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวยังไงกว่าจะเป็นตาที่บริบูรณ์เนี่ยนะ กว่าจะมาเป็นตาที่เรียกว่าสายแปลวมองเห็นภาพได้เนี่ยนะมันานโขใช่ไหมการก่อร่างสร้างตัวของตาขึ้นเนี่ยนะหรือถ้ามองร่างกายดีกว่าการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่ถึงถือว่าเติบโตถึงที่สุดแล้วนะที่เหลือเพิ่มแต่เพราะไขมันเนี่ยนะไม่ไม่เอาแบบในร่างกายเนี่ยนะระบาเจริญเต็มที่เลยเจริญเติบโตเต็มที่ควรจะอายุเท่าไหร่ประมาณ20ใช่ไหมอันน้นตั้งกต่อยู่ในคันไล่มาจนถึง20เนี่ยเรียกว่า ง่ายๆก็ น, นิี้พัติลักษณะช่วงก่อสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็รอวิปริอย่างเดียวนะดูว่ามันจะวิปริเร็วมากวิปริไปในลักษณะใดทันั้นพวกใส่ใจโดยความเกิดกับความเสื่อมมากๆนี่เป็นเป็นเป็นประทั ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ของอ น, นิจจสัญญาคือการคิดอย่างนี้บอกโอ้โหมันดูหยาบเหลือเกิน แต่หยาบอันนี้นะพิจารณาหยาบๆยาบนะแล้วทำให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นนะจะมองชีวิตเหมือนกับหยาบนาค้างบนยอดหญ้าจริงจชีวิตก็สั้นๆนเนี่ยนะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดเนี่ยอันอนิจจังหรือถึงจะมองเห็นอะไรบอกใช้ได้ตั้งหลายปีก็ยังเห็นว่าไม่เที่ยงเอกนั่นเลยเนี่ยนะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแตกทาลายเป็นที่สุดส่วนอนัตตสัญญา มีลักษณะการสายใจในสภาพธรรมทั้งปวงสภาพธรรมนี้หมายถึงอะไรอริยสัจทุกขสัจใสยใจว่าอย่างไงปีรณะนะเป็นต้นสมุทัยสัจใสยใจว่าอายุหนะนิโ ร, ราสัจจะใส่ใจว่านิสรณนะมะรรคสัจนิยานิกะนาออกจากทุกเนี่ยนะมันคำว่าสภาพธรรมนี้เน้นไปที่สภาวะของอริยสัจเนี่ยนะในน้นะ เธอถ้าสภาวะของธาตุดินอย่างเงี้ยแข็งอย่างเงี้ยนะแ้วก็หมดมากๆแล้วดียังไงมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะถ้าถ้าจนกว่าจะเห็นว่าไอสภาพแข็งเนี่ยปีละนัดโถแล้วพอสันตาปนัดโถ ว, วิปรีณามะโถก็ถ้าเราจะเอาเอาอัดเหล่านี้มาคิดดูนะสมมติว่าแข็งแข็งของอะไรล่ะแข็งของต้นไม้ปีละนัดโถ สันตาปนาโัโถวิปริณามโัโถสังขตัตโถแล้วอายุหนะโถยังอายุหนะโถยังไงเพราะฉะนั้นสภาวะเหล่านั้นเนี่ยบางบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นยิ่งไม่ได้เกิดจากกรรมนะมันจะเริ่มขัดต่อว่าไอปีละนะอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากอายุหนะด้วยหรือเพราะฉะนั้นการพิจารณาไอตัวสภาพธรรมหรือสภาวะธรรมเนี่ยจึงเน้นสภาพธรรมที่เกิดจาก สมุทัยเนี่ยนะอย่างอุตุชรูปทั้งหลายเนี่ยเกิดจากสมุทัยศาสตร์ไหมตรงๆแล้วไม่ได้เกิดแต่ว่าโดยอ้อมเนี่ยได้อย่างเช่นวิมานทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปอะไรอุตุชรูปมีอะไรเป็นสมุทรานมีกรรมเป็นสมุทรานอุตุชรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานอาจจะสาวไปยาวอีกหน่อยก็ได้ต้นไม้รอบบ้านเนี่ยนะมีผลบุญของเจ้าของบ้านเป็นสมุทรานอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าแม้มันอ้อมไปมัง้ง ตรงๆก็เลยอ่ะนะปัทวีธาตเตโชธาติอาโปธาติในกา้นี่แหละมันชัดเจนดีอ่ะเราก็มาดูตรงกันข้ามเดี๋ยว่าอตตะสัญญาเนี่ยคือการไม่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไงไหมไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอนัตตะสัญญาก็คือมันใส่ใจในตรงกันข้ามกับที่กล่าวไปก็คือใส่ใจว่าไม่เที่ยงใส่ใจว่าเป็นทุกข์ เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั่นแหละเป็นอนัตต า, นน า, ตาพระพุทธเจ้าตรัสถึงอนัตตาโดยแสดงเป็นทุกข์ก่อนในอนัตตาลาักษณะสตรเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธก็คือลักษณะที่เป็นทุกขลักษณะเนี่ยนะทีนี้ถ้าทุกขลักษณะเนี่ยมันแค่ไหนทุกนี่แปลว่าต้องเจ็บปวดเสมอไปไหมก็อย่าลืมนะทุกข์ทุก วิปริณามทุกสังขารทุกเนี่ยนะเพราะว่าเอางั้นพรมก็บอกว่ารูปผมไม่เคยอาพาธเลยล่ะฟังแล้วไม่เข้าใจเลยไนหะฟังคำว่าอาพาธนี่หมายถึงตัวอะไรวิปรินามทุกขเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นอนัตตาสัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความเป็นอนัตตานั้นพระองค์แสดงโดยอนิจจังอย่างหนึ่งในฉัะกะสูตรพระองค์แสดงโดยความเป็นอนิจจังเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตา อนัตตลักขณสูตรแสดงแสดงทุกขังแล้วก็ประตศโดยความเป็นอนัตตาในอรหันตสูตรแสดงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาแล้วก็อนัตตสัญญาก็แสดงโดยอนิจจังหรือโดยทุกขังก่อนก็ได้ถ้าดูตามสูตรในวรกเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่า จะเหตแสดงสูตรก่อนเนี่ยจะเป็นอนิจจังมาก่อนเป็นทุกขังมาก่อนอย่างดูในสังยุตตานิ迦เนียจะชัดเลยสูตรที่1อนิจจังสูตรที่สองทุกขังสูตรที่สจึงเป็นอนัตตาเนี่ยนีซึ่งถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมให้ดีๆเนี่ยจะรู้ว่าพวกที่รู้อนัตตาเนี่ยพวกนั้นมีปัญญสีมากพราะแสดงคําว่าเป็นอนัตตาก็คือว่าเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใครมีอำนาจบ้าง ในสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างนี้ผู้ใดมีอำนาจกับสิ่งที่เป็นทุกข์จริงๆบ้างก็ไม่มีใช่ไหมเมื่อไม่มีจึงเห็นโดยความเป็นอนิจจังความเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นั่นแหละสภาพความเป็นอนัตตามันเป็นอย่างนั้นมันถ้าจําหมายว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมเท่านั้นเนี่ยนี่เป็นประทัดฐานของอนัตตสัญญาสภาวะธรรมนะสภาวะสภาวะของทุกข์เป็นอย่างไรสภาวะของสมุทัยเป็น อย่างไรสภาวะของนิโรธเป็นตนเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรพันา่าคำว่าสภาวะธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่กว้างขวางเนี่ยนะเพราะว่าสภาวะธรรมทั้งหมดมีเท่าไหร่เคยได้ยินไหยสภาวะธรรมทั้งหม ด, ทหมดเท่าไหร่สภาวะธรรมนี่มีเจ็ดสิบสองสิ่งที่มีสภาวะนะว่าโดยรวมๆทั้งหมดมีเจบสองจิตนับหนึ่งเจตสิกห้าสิบ 52, รูปสิบแปดรูปสิบแปด นิพพานอีกหนึ่งนะถ้าจะเอาสภาวะก็เอาให้หมดเจ็บสเลยนะแต่ว่าสภาวะเหล่านั้นเนี่ยประชุมกันเรียกว่าขันธาตุอายตนะเรียกรวมว่าเป็นพุกสัตว์บ้างสมุทัยสัตว์บ้างนิโรสัตว์บ้างมรรคสัต์บ้างนั้นคําว่าสภาวะธรรมนี่เป็นคําที่กว้างขวางพวกที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะเป็นวิวัตตกถาวิวัตตกถาถ้าแบ่งเป็นชุดชุดก็วิชากับ สมถะหรือสมถะกับวิชาดงนั้นวิชาตัวนี้จะอีกชื่อหนึ่งว่าวิปัสสนาก็ได้ก็คือสมถะกับวิปัสสนาชุดที่หนึงนะ่งะสองอโลพะอะโทสะอะโมหะพวกนี้ก็เป็นกุศลมูลกุศลมูลคืออะโลภาอะโทสะและอโมหะต่อไปก็ความไม่วิปลาสอาสุภสัญญาทุกขสัญญาอริจจะสัญญาอนัตตสัญญา เกี่ยวกับเรื่องอสุภาสัญญาถ้าเป็นในสติปัฏฐานก็เท่ากับถือเอาโดยกายานุปัสนาใช่ไหมถือเอาแบบกายานุปัสนานั่นแหละเป็นกลุ่มอสุภาสัญญาถือเอาแบบเวทนานุปัสนาก็เป็นทุกขสัญญาถือเอาแบบอนิจจานุปัสนาก็เป็นจิตานุปัสนาถ้าถือเอาโดยธรรมะโดยธรรมะนะก็เป็นอนัตตาหรืออนัตตสัญญาก็ถือเอาโดยธรรมานุปัสนาเนี่ยนะ เพราะในธรร ม, มานุปัสสนาเนี่ยนะมีทั้งนิวรณ์จะเป็นนิวรณ์นั้นควรละพ่อชองควรเจริญพรอนธะนาตาก็แบ่งเป็นถ้าเป็นอากุศลก็ควรละกุศลก็ควรเจริญก็แยกจำแนกไปอย่างนั้นต่ออีกนิดหนึ่งว่าการมคุณหเนี่ยเป็นประทั ฐ, ฐานของกามราคะกามคุณหนะกามคุณหเนี่ยเป็นชื่อของรูปนะเสียงกลิ่น รถโพธะพระเฉพาะที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนี่ยเรียกว่ากามคุณห้าสภาวะที่น่าปรารถนาน้าใคร่หน้าพอใจเนี่ยนะอิทฐากันตามนาปาปิยรูปตากาโมประสันทิตาเนี่ยสภาวะเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ของกามราคะกามคุณห้าพวกนี้เนี่เรียกว่าเป็นอะไรอารมณ์ของกามราคานุสัย อันนี้ก็แสดงถ้าอนุสัยวาระก็พูดแบบอะไรทั้งโอกาสสวาระกับอนุสยวาระันนคือโอกาสก็ตัวกามคุณหใชห่ตัวอนุสัยก็ตัวกามมาราคะเพราะนั้นกามคุณ5นี่แหละเป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยอย่างดีของกามมาราคะรูปอินทรีย์ห้าเป็นประทัฐานของรูปประราคะรูปอินทรีย์ห้าคืออะไรตาหูจมูกิลนไกาย ในบรรดารูปทั้งหมดนะถามว่ารูปที่เราติดใจจริงๆอ่ะที่สุดคืออะไรสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดกับตาเรานะอันไหนพิเศษที่สุดตาเสียงทั้งหมดในโลกกับหูเรานะเรารักอะไรมากหูกลิ่นทั้งหมดนะรักจมูกกว่าเพื่อนถ้าจมูกกับกลิ่นมาเทียบกันนะลิ้นกับรสนะความอาหารทิ้งบางจานได้ใช่ไหแต่ลิ้นเนี่ยไว้ก่อนอนะก็โพธภาทั้งหมดนะเราเปลี่ยนผ้าไปเรื่อยแต่กายก็ยัง แนเพราะฉะนั้นอินรียห้านะถ้าเราจะยินดีในเกี่ยวกับเรื่องรูปรูปทั้งหมดในรูป28นะติดใจในตาหูจมูกลิ้นกายมากที่สุดแต่คําว่ากายมันกว้างนะกายนี่กว้างเพราะกายนี่แค่ไหนล่ะเอายาววานาะเคลอบกว้างสองนั่นมันอมไปเพราะกายภาษาท่ามันแทรกอยู่ทั่วไปหมดเลยนะีโรคบางอย่างถ้าไม่เบียดเบียนกายภาษาท่าเราเราก็ไม่ค่อยสนใจใช่ไหมถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดนะีรูปเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่ มันตัวในบรรดาตันหาที่เพลิดเพลินในในรูปประขันเนี่ยเพราะยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นหลักอายตนะที่6เนี่ยนะคือใจเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของภวะราคะใจตัวนี้ท่านบอกว่ารูปประชานอรูปประชานนะใจที่เป็นรูปประชานอรูปประชานนี่แหละเป็นเหตุใกล้ของภวะราคะข้างบนนั้นเป็นกามราคะก็เท่ากับอะไรการมราคานุสยัยข้างล่างก็เท่ากับ ภวะราคานุสัยเพราะอุปติฐานคือที่เกิดของภวะราคานุสัยคือรูปประชานอรูปประชานอุปติฐานคือที่เกิดของกามราคะคือการมคุณหนะรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเกี่ยวกับตัณหาในรูปรูปในที่นี้หมายไม่ใช่รูปประพบะนะแต่หมายถึงคือในบรรดารูป28เนี่ยติดใจที่สุดก็ชอบใจใน ตาหูจมูกลิ้นกายความยินดีพบที่ตนเกิดเป็นเหตุใกล้ของอุปาทานขันท่าตรงนี้ก็เท่ากับบอกว่าความยินดีในพบพบในทีนี้ก็คือหนึ่งเอกวกรภพบปัญจ ว, วการภพบเป็นต้นหน่ยนะความเพลิดเพลินพบหรือปรารถนาพบนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของขันท่าความเพลิดเพลินหรือความต้องการในเอกวการภพบเป็นต้นเหตุให้เกิดใน อสัญยาสัตย์ความเพลิดเพลินในอรูปประพบก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดจตุวการภพหรือภพที่มีขันสี่ใช่ไหมหรือความเพลิดเพลินในจตุวการภพทําให้ได้ฌานทาให้ได้อรูปประฌานถ้าเพลิดเพลินในขันห้าก็แบบเรานี่แหละเพราะเรามีทั้งห้าขันเลยนี่ยนนี้ถ้ามีหกขันอาจจะเอาอีกได้ตังห้าแล้วนะตอนนี้ก็ได้ห้าขันกันนั้นความเพลิดเพลินในภพนะ ก็คือความปรารถนาพบก็ดูได้จากอะไรดูได้ว่าทําบุญก็ปรารถนาเกิดอยู่นะทาบุญได้ภาษาทูขอให้เกิดเป็นนั่นน่ะนี่แหละตัวที่ทําให้ตัวปรารถนาพนะนิพพานก็เอานะขอขอให้มีขันก่อนแล้วค่อยนิพพานนะเรยังยังไม่ขอแบบปริณิพพานเลยนะเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกถ้าไม่ปฏิสนธินี่จะดีเยี่ยมเลยนะก็คิดอย่างนี้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะ ก็ไม่ปรารถนาปฏิสนธิแต่ขอให้มีอีกสักครั้งก็ยังดีอย่างนี้นะบางคนก็ยังแอบคิดเลยแต่วิ ะ, ะนั้นความยินดีในขันห้าหรือความยินดีในพบนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าแปลว่าขันที่เกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทา น, นยอย่างหนึ่งขันที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานก็คือมันวนๆอยู่เกี่ยวกับอุปาทานนี่แหละเรียกว่า อุปาทานนักขัตัวอุปาทานคือตันหากับทิฏฐิขันที่เกิดจากตันหากับทิฏฐิเรียกว่าอุปาทานนักขันขันที่เป็นอารมณ์ของตันหากับทิฏฐิเรียกว่าอุปาทานนักขันขันที่เป็นปัจจัยแห่งตันหากับทิฏฐิเรียกว่าอุปาทานนักขันัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของวัตตะทั้งเฉพาะกาลมคุณหเอาเข้าไปกาลมราคะ รูปราชาภวะราค า, ะะ า, คาอุปาทานขันธ์าอันนี้ก็เป็นวัตตกถาเนี่ยนะครั้งแรกที่เราเกล่าวถึงคืออวิชชาตันหาโลภสุภาสัญญาสุขสัญญาณิจจสัญญาอัตตสัญญาพวกนี้เป็นวัตตกถาเนี่ยนะโดยเฉพาะวัตตะประเภทสมุทัยส่วนวิชชาสมถทะอโลภะอโทสะอโมหะ อสุภาษสัญญาทุกขสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาพวกนี้เป็นวิวัตตกถาแล้วก็มาวัตตกถาอีกครั้งหนึ่งคือตามราคะารู ป, ปราคาระภวะราคะอุปาทานขันท่าก็แสดงคือประกาศที่เรียกว่าประกาศทุกสมุทยัยทุกสมุทัยเนี่ยสลับกันอย่างนี้แต่ว่ารวมๆแล้วปัจจัยของของกิเลสก็คือปัจจัยของสมุทัยสัตว์นั่นนะ ปทัดฐานของสมุทัยสัตว์บ้างประทัดฐานของมัคสัตว์บ้างประทัดฐานของกิเลสบ้างประทัดฐานของขันท่าบ้างเพราะฉะนั้นก็เวลาฟังธรรมหมวดเหล่านี้ก็พยายามสาวไปหาเหตุใกล้หรือประทัดฐานมันอ่านพระไตรปิฎกเราก็ต้องคิดนะคำเหล่านี้มีอะไรเป็นประทัดฐานอ่านเห็นอุปาทานขันท่าปั๊บมีอะไรเป็นประทัดฐานตอบได้เลยไหมความยินดีในพ่อเป็นเหตุใกล้ของ ปรปาทานขันท่าอธ osa มีอะไรเป็นปนัจสถานเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นปัจสถานเพราะฉะนั้นรับอารมณ์อะไรก็ควรระลึกถึงปัจสถานคือคือเหตุใกล้เนี่ยนะก็เป็นการฝึกคิดเรื่องปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะก็รับอารมณะปั จ, จัยใดก็วิเคราะห์อารมณ์นั้นพร้อมทั้งปัจใจที่จริงการแสดงปัจสานหาหาระคือตีรณปริญญ า, อาขอไป ยาตะปริญญาพวกนี้เป็นยาตะปริญญานประธ า, ธานาหาระคือยาตะปริญญานั่นเองอช่วงนี้ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อน